วัสการพามตรวจราชการแปดสิบเจ็ดเวลานั้นวัศการพามมหาอามาตมคตรัฐไปตรวจราชการเข้าไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้ถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ ก, กล่าวกับเจ้าพนักงานป่าไม้ดังนี้ว่านี่เน่คุณไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอบว่าใต้เท้าครับ พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้แก่พระธนนะเจ้าหน้าที่ปาา่าไม้ตอบว่าใต้เท้าขอรับพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้แก่พระธนิยะกุมพระการบุตรไปแล้ววัดสการะพามไม่พอใจว่า ทำไมพระเจ้าแผ่นดินจึงได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจําเป็นแก่พระธนิยะกุมภการบุตรไปเล่าจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตดังนี้ว่าได้ทราบกล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจําเป็น แก่พระธนยะกุมภการบุตรไปแล้วจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าใครกล่าวอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ปา่าไม้พระพุทธเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นจงไปรเรียกเจ้าหน้าที่ปา่าไม้มาวัศการพามสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบุมตัวเจ้าหน้าที่ปา่าไม้มาทันทีพระธนยะกุมภการบุตร<ย>เห็นเจ้าหน้าที่ปา่าไม้ถูกควบคุมตัวไปจึงกล่าวว่าเจริญพรท่านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไร เรื่องไม้นั่นแหละขอรับท่านจงไปก่อนเถิดอัตมาจะตามไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวว่าพระคุณเจ้าควรไปก่อนที่กระผมจะเดือดร้อนนะขอรับแปสิบปดพระธนิยะกุมภการะบุตรเข้าไปพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารแล้วนั่งบนอาสนะขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปหาพระธนิยะกุมภการะบุตรทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรตรัสถามว่า พระคุณเจ้าทราบว่าไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นโยมถวายแก่พระคุณเจ้าหรือจริงมหาบพิษพระคุณเจ้าโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกรณยยกิจมากมายถึงจะถวายไปแล้วก็จําไม่ได้พระคุณเจ้าโปรดเตือนความจําให้โยมด้วยพระธนิยะกุมภการบุตรทูลว่าขอถวายพระพรพระองค์จาได้ไหม ครั้งที่พระองค์เสด็จถลิงถวันยรัชใหม่ๆทรงเปล่งพระวาจาว่าข้าพระเจ้าถวายหญ้าไม้และน้ำแก่สมณพราหม์ขอสมณพราหม์โปรดใช้สอยเถิดพระคุณเจ้าโยมจำได้ที่โยมพูดนั้นหมายถึงสมณพราหม์ผู้มีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษามีความรังเกียจแม้ในโทษเล็กน้อยหญ้าไม้และน้า นั้นยังไม่ได้มีใครจับจองอยู่ในป่าท่านจงใจอ้างและขนไม้ที่ไม่ให้ไปพระเจ้าแผ่นดินเช่นโยมจะฆ่าจองจำหรือในประเทศสมณพราหม์อย่างไรได้นิมนต์กลับไปเถิดท่านรอดตัวเพราะขนแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีก